ไปเที่ยวมไปเนาอรมีมาเยอะยังกว่าดีทั้งเ้าบายพูดทางโน้นเวลามือเพื่อนมยู่น้อครับมาท่านหนกๆทานจะว่านั้นเอ๊ยถ้ามาหาไปไนมาไหนทานทอดไ้เราเคยถามจะมือถามอางนี้แต่ที่ปัญหาเรื่องที่จิงั้งปัญหาอย่รไปเที่ยวอยู่ในป่าในเขา ไม่นาที่ท่านจะพูดทาไมท่านพูดออกมาอย่างนั้นนี่ทำานไม่ได้ไม่รันนะต้องเรี่นหนังขาใกลจะขอยู่หนวะไมาโดนหัวมันขาใก้าใก้ๆใขวอยู่ไหนวเข้าไปในป่าในเขาแต่สุพรรณมาจะของอย่างเต็มที่เป็นขานฐานที่บางแห่งไอ้พีชมอบเราทา ท่านเอาอุบาออกมาอนาหานดิงมัวายขวา่อยหนาเห็นได้มาดสุนังหครมที่ได้มีได้มาทกีทำนาอย่างนี้แนี้ท่าน อาจารย์มังคดีพะสงฆ์ในวัด ท, ทั้งหมดคดีองค์ไหนที่เห็นผมถันทอนผมไม่แน่เลยไปร่วงต้นก็เท็นังฐานเดิมอยู่แล้วผมกระทือน ม, มพอท่านพูดท่านคือ ป, ป, ปบ๊บปั๊บะชับพลังิตปอกเลยทันทีไม่มีถอนผมไม่เคยทำเลยท่านพูดทำไมอย่างนี้ถ้าม่ตีนาะค่ะพู้่มันดื้อมันแอบแฝงทำนั่นมีอยู่ล้วก็เห็น แล้วตาท่านถมัดไปแล้วทำไมจะไม่เห็นอ้อเาหาอักบาร์ตีอยู่นั้นไปท่านไม่บอกงงงเพราะนั้นเคยพูดให้ฟังท่านก็พูดแล้วถึงคนนั้นไม่ได้ยินก็จะล่อสู่การฟังเรื่องสําคัญสําคัญท่านเคยพูดเสมอท่านจะพูดเรื่องของผมจริงหรือหมูข่้นฟังที่เวลาหมูขั้วมาเล่าให้ฟัง เพื่อนเห็นผมเคยถันท้อนหมายรู้ไหมว่าท่านตีนขัดไม่รู้ตัวนั่นหนะผมไม่เคยทำมาอยู่กับท่านผมก็แน่ใจว่าท่านเชื่อผมว่าผมไม่ทำไปอยู่สี่ไหนผมก็ไม่ทำแต่ท่านทำไมถึงพูดอย่างนั้นเราะท่านเห็นได้จากความความตั้งใจของเราท่านเคยแสดงออกมาอยู่เสมอเรื่องความตั้งใจของเรา ท่านไม่ได้บอกว่าเราตั้งใจก็ตามแต่กิริยาที่แสดงออกมานั้นเป็นการบอกทัดๆว่าท่านทราบทุกอย่างเราทําเห็นเราไม่ฉันนมเห็นเราข้านมมันสลายเลยผสมผสมไรเห็นมันอะไรเคยมันไปดูมันแล้วก็แสบกาผมไม่เคยเอาแม้แต่คุไแม่ที่ช่วยผมไม่ฉันนม เพราะท่นของผมคือท่าท่าไหนทาได้ท่นนอลงนอนไม่ตืไม่ต้องฝันนะะเพราะกําลังมันเป็มที่ของมันแล้วแต่จะว่าเป็นยาฆ่าจิตก็ไม่ใช่นะเวลาฆ่าจิตไม่ต้องเพิ่มคอาเพลินไปข้างนอกหาเรื่องการยืดเสียแต่มันไม่ไปท่าขาหนันเป็นเป็มที่ของมันเพราะทานลงไปนอนตื่นขึ้นมานา่ท่าเอียง มันเป็นไปได้อย่างไงหาเรื่องฝันมันก็ไม่มีมันเป็นเราทราบบ่อยๆบบางทีมันก็แสดงที่คไม่ได้ฉันนมกระตานมันจะปวดที่ตรงเดี๋ยวเขาจะตาตาโนเอียงเอ่ยมันจะปวดรู้เจ้ของรูดตัวนอนระมัดระวังงั้นางนั้นมันจงค่อยไหมาได้มันเป็นคงจะเป็นการท่าบางลายสำหรับผมมันเป็นไม่ฝันไม่ฝันกระตานก็เป็น ถ้าท่ามันเป็นไม่แต่หน่อยหนึ่งถ่ามันมีวิกาอะไรอะไรมันก็มีถึงที่มารู้สึกภาพแบบเอ๊ะผมไม่ฉันถ้าฉันทีลามันเดิมทุกถึงน้าๆมาทดลองหนูมันก็เห็นเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดขาดเลยนะปฏิบัติยิ่งเป็นเรื่องเสียบขาดเลยแล้วผมไม่แต่งี่ท่านก็เห็นเห็นที่ท่เห็นยังงเวลาชงขนมขนมอะไรสนมนมแบนนี้ เร แ, แบ่งใหามหา่อนะมาท่านอุนนมนะแบ่งไว้ขามห่อนนะนี่คือประกาศสอนพระเนรทั้งหลายนั่นเองพูดในงานนะดูที่อุบาลแม่เพียงใจจะพูดกับเรานั่ย น, นั่งเอาเราเป็นเหตุยู่ด้วยประธานทุดงก็ขโมยทำอยู่คนเดียวผมตัางอับอยู่กับท่านทีแรกพอท่านอธิบายทุดงประบัอนนั้นขจับปุ๊บเลยไม่เคยรับแม้แต่นั้น มาตลอดสายไม่ว่าปีไหนไม่เคยเว้นเลยทคนเดียวของเราเนี่ยบินตบาดมาแล้วจัดอะไรที่ปอกตักอะไรของดีอรแล้วรู้แล้วว่ามันถูกกระแทกผ่านร่องพ่อแม่หัวใจแล้วเจอผมไว้ไว้ๆเนาะของเราัดนิดเมึ่งมพราะฉะนั้นเาให้ปัญายบานไมได้แล้วปิดฟราบานแล้วเอาผ้าปิดอีกทีแล้วไว้ ติดกําปาบางต้นเสาอาไว้แล้วาไปจัดอาหารรู้จนได้เฮ้บุกเข้ามาเลยทายกทายกแปลว่าผู้ให้ทายกกะแปลว่าผู้ให้ไม่หมายถึงว่าเป็นพระว่าทายกะแปลว่าผู้ให้พูดกลางๆทายกมาสายววันนี้ายกมาสายวะ่านไหนะบานไห หาแลมามือท่านมาพร้อมแนละเราก็จะทำยังไงเราก็ต้องรับจำเป็นต้อรับเพราะความกระตุท่านวันนั้นเราก็ยอมขาดทุด่ดวงท่านรู้อะไรยิ่งกว่าเราท่านกลัวจะเราจะเป็นที่เสียหนึ่งท่านมาหักไว้สักบ้างนี่เราคิดนะมันมันจะเป็นที่เสียหนึ่งแม้จะอาศัยทุดวงก็ตามแต่ทิ่เียที่เป็นที่เลสข้อจะแทรกมันมีท่านเลยมาหักปุ๊บ อ, อะไสักบ้างะแต่คนอื่นจะมาใส่ผมไม่ได้เป็นังขาดนนะบอกว่าไม่ได้เป็นังขาดทีเดียว ผมห้ามขาดเลยใครมาแตะไม่ได้บาดผมจะบาดผมแต่เพราะแม่ครูอาจารย์ทำผมยอมรับเพราะความลวงท่านเป็นยังไงเราเชื่อความรลวงท่านทำไมในมุ่งจะมาตัดทุรงค์เราให้ขาดท่านจะตัดที่เดือดตัวพิธีอันใดอันหนึ่งของเราที่มันถือแเราก็จะไม่ไม่มีอะไรไม่มีเหตุมีผลอะไรหรือว่าเป็นความดิ่งของพิธีอันหนึ่งโดยอาศัยธุดงค์เป็นเหตุอเราก็ทราบไม่ได้นี่ แต่ท่านไม่ทำไปบ่อยนะ น, นานนั่นทำจริงนาน น, านันทท่นทำจเรื่องอะไรอยู่นี่ไม่เคยคุยจะให้ท่านได้หนักใจเพราะผมเท่ากันว่ามั น, านไม่มีไงเพราะเราพร้อมอยู่เสมอที่จะฟังท่านอะไรทาเห็นมากแล้วควรจะแก้ไขยังไงท่านว่าตำแหน่งตรงไหนเราจะแก้ไขทันทีทันทีทันทีเลยแล้วฝังใจด้วยฝังใจด้วยจริงจังอย่างนั้นตลอดมันไม่เคยละหลอดเลยหน เพรนั้นเวลามาอยู่ก็หมู่กับเพื่อนสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้เรื่องนะเวลาบางที่พูดกับองค์นี้และแทนที่มันจะทั่วถึงไปมันไม่ทั่วถึงแล้วองค์นั้นมาเคลื่อนตรงนี้ให้เห็นอีกถ้าได้พูดกันบ้างไม่ควรจะมาเคลื่อนอย่างนี้นี่เป็นเหตุให้เราคิดมน้าเหมือนกันเรื่องเราได้ยินจากพ่อแม่ผูบ า, ายใจเราต้องรีบไปซื้อหม่เพื่อนกระชึกกันทัาไหวนั่งด้วยนะอันี้บอกองหนึ่งแ้วเดี๋ยวจย่างองหนึ่งมากื่อนที่เก่านล้วเรื่องเก่า เยอหนึ่งมาเคลื่อนไปก่อนแส่งว่าไม่พูดไม่บอกกันไม่สนใจหรือบอกกันไม่ได้หรือมันมีที่ถิมรนะกระทบกระเทือนกันหรืก็ไม่ใช่นั้นเป็นความเฉยเฉยอะไรเมยเมยอะไรในใจนี่มันไม่ฝังมันไม่แน่หลักจิตไม่ดีไม่จริงจังผู้จะฆ่าที่เด็ดต้องเอาจริงเอาจัง นี่ได้ดำเนินมาแล้วเรื่องกิเลสอะไรจะแหลมคมยิ่งกิเลสอะไรจะเหนียวแน่นยิ่งกกิเลสมันไม่มีในโลกนี้ทุกทรมานไม่ว่าทับตัวใดบุคคลผู้ใดในโลกนี้เที่ไม่หาความสุขไม่ได้มีแต่ทุกอย่า ง, างทาั mm ่ย hmm. นก็เพราะรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราัง mm hmm. ไม่เห็นโทษของมันหรือเรามาบวชในพุทธศาสนานี่เป็นหน้าที่โดยตงแล้วเป็นผู้เห็นภยยัยแล้วในเรื่องของกิเลส คุบาวิธี <ITA> ที่ครูบาอาจารย์ถังสอนอันใดอันเป็นเรื่องแก้ีิเิยะทำไมจะนอนใจแล้วท่านมาเลยพูดแบบสุ่มๆเดาๆเช้านี้ไปพูดที่นั่นที่อี่พูดที report, ่นี่พูดให้ฟังมันจะแก้หรือไม่แก้ก็ตามมันมองดูแล้วเรามันเป็นยังไงสะดุดเพราะเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยกันแล้วมันมันอะไรในจิตหนี้เนี่ยจะดูที่ในจิตมองไปมอง ม้วนซุดเป็นแถวในทำน้อยๆนะโอ้โหแล้วกันนี่มันมันมันเป็นหลักของวัดใช่แล้วมันเป็นหลักปฏิบัติอหนึ่งแล้วนี่นึกในใจมันก็ต้องถึงเนน้อยแล้วก็ดูดูไปไม่เห็นเวลาเราดูอมัวยยนแะต่รถเดียบหัวใจนั้นรถรถอาหารนะ่ะเดียบออกรถทําะไรขึ้นไม่ได้ตายจิ้มหนา้นาพิณหายหมด มันจะลดอาหารมันเหยียบรดลิ้นมันไะเหยียบรดอาหารเข้าไปเหยียบลิ้นรดลิ้นก็เหยียบทําแหลกกระจ า, ะจายนี่เหนือนี่ เ, เตือนอยากจะแก้ไขอะไรไม่แก้ไขไงไรสุนทรมันใหญ่ทุกคนนั้นี่อนี้ทองก็เป็นพระวัดนี่เขาอยู่ ดืวยกันมาติดต่อให้ตามผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่ไม่ทายกันอยู่ด้วยน้องผือก็แม้ท่านจะมาจำํำในศาน้องผือด้วยกันก็ตามแต่ทั้งยุก ม, มานาันนาใกล้ๆสามกิโลเท่านั้นผรเหมือนกับอยู่ที่นั่นถึงวันประชุมอุโบสถก็มาฟังการประชุมอุโบสถทุกวันกทุกอุโบสเราไม่อยากเห็ น, หนมั น, นมันอะมันคลายคลาเราติดเท่าคน แวเวลาฉันอานกับผ้าหลุดรุ่ยลงมาเนี่ยมือกับเทินกับรถกับผ้าตรงนันผ้าหลุดลงไปก็ไม่มีไม่สนใจดูไปดูไปเห็นว่าดูพุดไม่มีควรจะบอกจะฟ้องควรจะเผยเนื้อเผอตัวอะไรอย่างนี้ไปดูดูแล้วเป็นยังไง น, นานๆดูทีนึงว่าเห็นยังไงเหรอ พ่อแม่ครูอาจารย์มันนี่เป็นแบบฉบับโ ด, ดยอย่างไม่สงสัยผมนี่มอบร้อยเปอร์เซนชีวิตจิตใจของผมไม่มีความหมายรวมด้ที่ทาของท่านโ อ, โอวาทของท่านที่สัสอนทั้งนั้ น, เ ป, นเป็นก็เป็นตายก็ตายเห็นบุญเห็นคุณของท่านทีนนท่จริงๆเราจะได้อุบายวิธีการต่างๆมาปรุดปรามานตัวนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบาย ท, ท่านที่แนะนําสั่งสอนด้วยความเมตตาจริงๆ ท่นานกินจริงเจตเข้มข้นเพราะท่านมีิสัยอาชานมิสัยอาชานไนสง่าผ่าเผยอาชานกินจริ ง, งกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นคือว่าความดีแล้วท่านจริงจริงละความชั่วกท่านก็ริงจริงไปดูท่านแล้วถึงว่า ย, ยอมทันทีตั้งกับมันกล้ากับปาจีเร่ดูอะไรๆหาเครื่อนที่เครื่องข้ามาเพราะหลักธรรมหลักวินยัยเราก็เรียน ท่านปฏิบัติยังไงยังไงมันก็รู้หมดเลยทีมต้นกับปลายตรงกันต้นกับปลายะร ก, การพูดการแนะนำสั่งสอนเด็ดเดี่ยวอาหารถูกต้องตามอัศตามธรรมการประพฤติท่างก็ดำเนินดังนั้นไม่มีข้อท้อใดที่จะขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยเมื่อเราหาของจริงแล้วเราไม่ยึดเอาเราจะไปทำเราจะไปหาอะไรให้ยึดถียยด่ยึดถ้ออย่านัน เราึงต้องพยายามต้องมีตรงไหนใช่ว่าตรงไหนก็ต้องยึดทันทีทันทีทนัมนมันหลุดลอยไปได้แล้วยึดทันทีถ้เาเราปฏิบัติเราเอาคนเดียวเราแต่จริงๆ น, นี่มันเป็นสิ่งหยากๆคนปฏิบัติได้อย้างที่ท่านเคยพูดท่างพูดน่าสรุดสังเวชท่างพูดด้วยความรู้จริงจรินพายในท่านจริงที่แสดงออกมาสอนท่า น, นว่าอย่างนี้นะเฮอ ฉันท้อนนั้นใ น, ในบาตฉชนนั้นเข้าในบาตแล้วก็ช้อนด้วยช้อนผดขึ้นมาโอ้ย น, น้ำไหลไปสว่างเลยผดขึ้นผดขึ้นมาเหมือนกับมีอนมันหนึ่งสอนหล่อนผึ่งผึ่งผึ่งผมาน้อยมันฉันก็ฉันเพื่อเห็นไผ่ เดินเดินนั่งนอนเพื่อเห็นไัยและในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมเท่าไหร่ทําไมเวลามาฉันเปงนหินแกรี่แกรปากอย่างนี้นี่หรือผู้เห็นภัยเป็นอย่างนี้ถึงเหมือนว่าเด็ดเผ็ดร้อนมากเหมือนกันอุบายที่พุดขึ้นมาในเวลานั้นต่างหากนี่ไม่ใช่ผู้เห็นภผ่นั้นเนี่ยผู้ที่นอนตรงมีนาวตาของสารหารเวลาพ้นไปไม่ได้ัแบบนี้นะใช่เพราเป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตมันก็ชะลอดทันที นี่ครขอร้องท่านนะตัวเวลาท่านดวนตัวเข้ามาเป็นที่แล้วขอท่านทดชดคลอนชดเพราะบาทมันก็ไม่นัานแล้วมันจะบาดก็ไม่นานแล้วแห้งก็ยังไม่แบบนั้นแต่มันจำเป็นกันฉันไปพาบึกลูกศิลูกหับ บกบืนมาก็พอแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติต่อภาพต่อขันพอเป็นไปได้ในวันหนึ่งสองวันก็เป็นที่ภาพภูมิใจตัดโลกทั้งหลายครับระว่างขอพระแม่ครูอาจารย์ไม่ทําการภาพต่า ง, า ง, างขันแล้วมีใครจะมาดีเลยไม่ใช่ภาพเทวทัพมาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นภาพลูกศิษย์มีครูแล้วไม่มีใครจะดีผมเนี่ยเป็นตัวทั้งขันกับพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้อื่นไม่กล้าพูดผมมันกล้ากล้าด้ยเหตุด้วยผลใครจะมาดี พระแูจารย์ในเวลานี้ใครยืก็เป็นเทวทัศน์ว่างนั้นอถ้าลูกคิดย์มีครูแล้วไม่ยดเพราะสภาพท่านพระแม่ครูจารย์เป็นยังไงเวลานี้ใครก็รู้พระแม่คูจารย์มีความสะดวกส บ, บายในความขบขันฉันในวิธีใดก็ขอใมนเพื่อเป็นประโยกน์แก่โลกดูไปกี่วันก็เป็นประโยกน์แก่โลกมาใส่ไม่น้อยฉันไม่สะดวกอะไรไม่สะดวกท่าขันก็ยิ่งชุดลงไปชุดลงไปแล้วมันก็ยิ่งมิตรทั้ง ส่วนทางเสียดมืท่านเดียวทา่านผรสชันเดี๋ยวท่านกับพี่เดีเราเอาอีกนั่นน่ะนี่แส ท, าทา่านปนนีสายปัญญาพี่พับพพบ พ, พ, พ, พจัดที่หลับที่นอนให้ล้วก็พยายามเป็นที่เป็นลังจากที่นอนทา่านปูเสือปูอะไรนอน บอกอย่างดีนะบอกอย่างนี้นะ อ, อย่างนี้ก็โอ้ยจดจําเก็งนี่กว่าอะไรนะฮะเราก็พยายามทํานั่นไม่นานคลิกปุ๊บแต่ก่อนได้ยินจากเพื่อนผมเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์ผู้ท่านมาปฏิบัติมาก่อนเล่าให้ฟังทังเรื่องทํากับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่มันไม่ถูกเลยเนะพราะมันไม่ถูกที่ห<ด>ัวใจเราเดี๋ยวท่านก็คลิกเดี๋ยวท่านกระดูกเราก็จำมาไว้แต่จริงๆ ทำเหมือนกับว่าจะเอาดินสอขี่ไว้นู่นละ่ะอะไรเแี้ยแต่วางกาก็เหมือนจะเอาอินสอขีไว้ําหน่อยให้ดินสุดท้ายก็เอาปั๊บเนี่ยทำไมทำอย่างนี้มันต้องทอํานีดนิดดิท่านบอกลิกไปนิดหน่อยเท่านั้นเองความจริงคือจิตของเราพอเห็นว่าถูกแล้วมันนอนใจมันไม่ระเบียงระหว่างมันนอนใจท่านลิกปั๊บตรงนั้นแหละไม่ให้นอนใจให้เราใช้ความคิดความหมายแล้วรู้ตามหลังอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เอง ใช้ความคิดไม่ได้ทําแบบเซ่อเซ่อถูก็อยู่กับคําว่าถูกเซ่อเซ่อนอนอย่างนั้นเสียไม่ได้ใช้ความคิดเลยไม่เกิดปัญญามีสอนให้เกิดปัญญาสว่างต้อสอนเพื่อความสลางทุกระยะเนี่ยท่านก็พลิกเรื่อยพลิกด้วยแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจเลยนะนี่ต่อมาต้องเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนั้นอย้เพราะท่านไม่ไดคุ้นกับอะไรจิตท่านแล้วอุบายวิธีที่ไม่คุ้นกับอะไรนั่นน่ะ มันเป็นอุบายที่ถูกต้องสำหรับผู้มีกิเลสที่จถอดถอนกิเลกความนอนใจไม่ใช่เป็นสิ่งถูกต้องนี่ยอมรับท่านแล้วหนุม่มเพื่อนท่าศึกษา อ, อุสมจึงขอให้ตั้ง อ, อกตั้งใจน่พยายามทุ่มเทลงเต็มสติกําลังความสามารถในบางครั้งก็เทศจนฉุด ความสามารถของตัวเองบางทั้นก็เ็นประปรายเป็นธรรมดาแต่เมื่อสรุปความแล้วว่าเราไม่เคยมีอะไรน้รับต่อหมู่เพื่อนทั้งปฏิวัติการดำเนินมาหนักเราลาบากลำบนแค่ไหนก่อนำนำมาพูดไม่ใช่นำมาอวดให้เป็นคติแกหมู่แก่เพื่อนนี่คือ ว, วิวิยทีถอนกิเลสควรหนักต้องหนักควรลำบากต้องลำบากเอาควรสละเป็นสลาเอาสละ ไม่เช่นั้นไม่ถึงกับกิเลสหนังทลอดก็ไม่ได้ถ้ากิเลสมีหนังก็ไม่พอหนังทลอดเลยเอาไม่จริงมันต่างสังขารที่จะเอาสังคขารที่ธรรมดาก็มีนังคขารที่จะหนักแน่นลุ้นเน้นหนักลงไปในจิดสำคัญสำคัญขนาดชี้ยึดสละได้เอาอย่างนั้นจึงเป็นผู้ตั้งใจว่าพฤฤิปฏิบัติเพื่อกำจกัดกิเลสจริง มันถักมีกับจังหวะที่ควรจะเด็ดมันถักมีอยู่ในหัวใจในของนั่นแหละถ้าฟู้งมุ่งอาจมุ่งทำอย่างนี้ใช้ความพิจิตรณาบ้างแล้วมันถักมีวาระที่จะเข้าได้เ ข, ข็มถอนตัวไม่ได้ต้องพุ่งข้างหน้าเลยเอาไม่ตายให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายมันม่ถึงจังหวะแล้วนเคยทํามาอย่างนั้นคิดว่าจะนั้นไหมมาเป็นครูเป็นอาจารย์ ของหมูห่ของเื่อนถ้าพูดถึงเรื่องความโง่เขลาว่าปัญญาติตฟุ้งซ่างวังคาจนไม่มีวันมีคืนแต่แทนที่มันจะเป็นแปบนั้นมันก็ไม่ทนการฝึกการพลมานเวลามันคึกขนอนขึงมากก็เอาให้หนักมือตัดลงทุกด้านทุกทางอาหารก็ตัดแต่ความเพียนเล่งมีเลยตัดลงตัดลงดัดทันใดมันทุกแง่ทุกมุม มันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทับผมจิตใจร่างกายมีกําลังมากมันทับใจการดาเนินทางเรื่ยนด้านจาานิตใจไม่สะดกต้องตัดกำลังทางร่างกายลงไปที่เนื้อต่างหารเป็นต้นนีอบายวิธีการติดตัวเองต้องเป็นอย่างนัง้นโดยลําพังของจิตไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเวลามันผ่าตัวนีม้มามันจาเป็นต้องเกี่ยวขึ้น เรื่ขของการไม่มีกําลังจะทับทากุกันต์ก็ตามไม่รู้สึกว่าเป็นความการทับบ้าทับจิตใจก็ต่างแต่กิเลสมันทับจิตทำไม่แยกไม่แ ย, ก ไ, ยกไม่พิจารณาไม่ทุ่มลงไปเต็มสติกําลังความรู้มากจริงกิเลนี้จะไม่ขยายตัวออกพอได้หาใจได้บ้างเลยนั่นก็ต้องเอาขอดกันลงไปสิอ๋อ ลงถึงขนาดนั้นมันทุกครั้งเราจังหวัดได้พูดถึงสัดธรรมเรามันชัดในตัวเองเรานี่มีนิสัยหยาบมากทำธรรมดาเหมือนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่ยมันไม่ได้เรื่องพยงผิวทะลอะ ก, กัไม่ได้ผิวพิเรศทะเลาะ ก, กันไม่ได้ฉะนั้นคนข้าวที่จะเอาให้เป็นให้ตายต้องเอากันหนักแต่ข้าขึ้นนั้นน่ะมันได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นกําลังความสามารถของสติปัญญาเวลาจนกรอบจนมึง ด้วยเหตุ น, นี้จึงกล้าพูดให้หมู่เพืนฟังว่าคนเรานั้นมันไม่ได้โง่ตลอดไปนาะถึงเวลามันขนาดมันมีคนเราเมื่อจนกรอบเป็นมุมมันต้องใช้ความคิดจะออกทางไหนไปทางไหนถูกล้อมแล้วทําไงเราจะออกทางไหนมันก็ต้องใช้ความคิดเมื่อใช้ความคิดมันก็ต้องมีความฉลาดขึ้นมาอืเล็ดลอดออกไปจนได้เนี่ยมันถูกวงล้อมของกิเลสเราจะออกทางไหนสติปัญญาไม่เดียวไว้มีไว้สำหรับต้มแกงยินีนะ ระดับใช้คิดอ่านแต่ตรองหาทางออกหรือหาทางแก้ป่ากราณที่เด็กเราก็นํามาใช้หรืเดี๋ยวก็ทด้พอได้มาภาพในที่เด็ดที่มันลุ่มลอมอยู่มันก็พังทลายลงไปเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ย ะ, ะ, ยะที่เด็ดมันพังไปเมื่อลราด้วยอํานาจแห่งความเข้มข้นของเราความสลับเป็นสายตานั่นเราก็ได้หายใจเต็มปอดคุณเห็นไหมรู้สึกว่าเชื่อสมรรถภาพของตัวเอง ขึ้นในเวลานันหนึ่งนั่นเรามาเชื่อสมรรภาพคือเชื่อความสามารถของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนรสนดมาเถึงกันจริงเหตทีท่มันดูดอยไปด้วยเหตุนี้ไมนะ่ไม่ต้องบอกว่าจำมาทางจาได้เองเพราะความอัตศจรรยที่แสดงขึ้นมาแต่ละข้างๆมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความเข้มข้นความสลับเป็นเหตานั้นมันบอกทุกเนื้อตัวอย่างชัดเ็นอยู่แล้วไม่เป็นสิ่งที่จะลืมไม่ว่าแต่เรื่องของทุกที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายได้เป็นความกระวลวุ่นความกังวลกรวน สบาอันเป็นเรื่องของจิตเวลาปัญญาผ่านไปได้แล้วมันเห็นทั้งโทษทั้งคุณได้อย่างชัดเจนทั้งสองอย่างอัน <c oughs> จริงอยากให้หมู่เพื่อนใช้ปัญญาถึงเวลาที่จะใช้เราจะไปคอยให้แต่ละสมาธิเป็นซะก่อน ด, ดีดีก็ก่อนนล้วถึงจะมาใช้ปัญญาสมาธิก็เอาให้จริงให้จางให้สงบให้เห็นประจับตาประจับใจมันทําได้มันจะ เป็นไปขนาดไหนว่าจิตนี่วิเรือศมันอยู่กับจิตสติปัญญาก็เกิดอยู่กับจิตหมุนตัวกันอยู่ในนั้นทําไ ม, มสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันจะปราบความวุ่นวายของจิตไม่ได้ถ้าเราทําด้วยความตั้งใจนี้เราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตว่าหนีไปไม่พ้นความสงบต้องอยู่ในเนื้อมือจนได้เพราะเคยทําแล้วเนี่ยมันวุ่นขนาดไหนเหนือมันขนาดไหนวาเอาสิเลยอมันจะไปทางไหนว่าจิตนี่เรา ค่อยตามมันค่อยตามมันมันลากมันถูไปก็พลอกปอกเปิดก็พอแล้วจนจะตายมันเหนือแต่ลมหายใจคราวนี้จะเอามันฟาดฟันลงไปแล้วก็อยู่ในเนื้อมือสุด้านี่เป็นบทเรียนอันหนึ่งแล้วเนี่ยเวราจะทำให้สงบกอกสอนแล้ววิธีเอาริงเอาจานกับความสงบ มันจะไปไหนตั้งหน้าต่างตาจะดูตั้งแ ต, ต่จกกิตเท่านั้นน่ะจิตนี่เป็นตัวเหตุที่จะก่อเรื่องก่อราวให้ไม่สงบปรุงเรื่องนั้นขึ้นมาหมายเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นภาพเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหญิงเป็นชายไม่หยุดไม่ถอยเมื่อตั้งแต่คนมายาของจิตที่แสดงออกไปจากตัวเองนี่แล้วเราก็หลงเงาตื่นเงาเอย่างกันทั้งวันทั้งคืนดูได้เมื่อไรจิตอยู่เฉยเฉยมีแต่ความรู้ไม่แสดง อารมณต่างๆอาการต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องหลอกลอนตัวเองมันมีได้ที่ไหนมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักสังเกตจิตเราต้องรู้เมื่อรู้แล้วจิตมันก็ต้องจอลงไปที่ต้นเหตุมันมันจะไปไหนว่ะเอาไปเก็ไปให้รู้อืมจิตมันส่งไปที่ไหนมันรวดเร็วขนาดไหนสติยังมีอยู่นี่มันก็ต้องรวดเร็วมันกันเราฝึกให้มันทันมันจะพ้นไปได้หรือหรือว่ากับพ้นไปไม่ได้จริงๆรู้ ดูสงบก็นได้วิธีทำจิตให้สงบการตั้งรากังฐานจิตเบื้องต้นนี่รู้สึกลำบากหรือบ้างยาถือเป็นอุปสรรคไปแล้วกัน อ, อย่างไงเวลามันจะตายมันมันทุกทรมานที่สุดอยู่แล้วทุกคนยิ่งคนไม่มีธรรมภายในจิตใจไม่มีสติปัญญาพลังใจเลยผู้นั้นตายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแส่ว่าวุ่นขุนมัวยุ่งไปหมดบางลาย นอนดูบเตียงตกเตียงเลยมันไม่มีสติสตางคเขาทุกขเวทนาครอบมันหนีเราไม่ใช่ประเภทตกเตียงนี่นหละมันเป็นขนาดไหนก็เอากันลงให้มันดูมันทนเราไม่ได้ทำให้เข้มแข็งไม่ได้นะกิเลสมันเข้มแข็งตลอดเวลาเพราะเราอ่อนข้อต่อมันอยู่เสมอนะกิเลสมันอ่อนข้อได้ไหมมิฉะนั้นมันจะแข็งข้อขป้นนี่เลยเอาให้มันถึงกันเลยพอมีความสงบไลยแล้วีน้เอาพิจารณา อุบายคิดยาอยู่เฉยบางทีปัญญาเนี้ยมันทำจิตให้สงบได้ที่เรียกว่าปัญญารมสมาธิไม่ใช่ว่าสมาการเจริญสมาธิจะ ม, มีความสงบโดยไถ่เดียวโดยปัญญาไม่มีทางทำให้จิตสงบได้ไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งปัญญาทำจิตให้สงบนั้นยิ่งอาจฐานมากกว่าสมถธอารมณ์ของสมาัิเป็นใดไหน อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้ถึงในธรรมทั้งหลายที่แสดงมามากน้อยเราแสดงมาตามความจริงจริงในกาปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยได้รู้เห็นสิงใดมามากน้อยก็พูดตามความรู้เห็นนั้นไม่ได้หาที่ไหนอันใดมาเพิ่มมาเติมมาหลอกหวงเพื่อนสูงออืแล้วแบบพูดปล่าๆหาความจริงไม่มีพลังใจเราไม่เป็นอย่างนั้นความจริงเต็มหัวใจ ปฏิบัติมาก็ประจักษ์ใจแล้วไม่มีที่สงสัยผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็ได้เห็นชัดเจนอยู่ภายในใจนี่นําสิ่งที่ปรากฏอันเป็นความจริงอยู่ภายในใจนี้ออกแสดงแก่หมู่เพื่อนด้วยความถึงใจทําไมจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันทำไมจริงไม่เป็นที่แน่ใจเอาให้จริงให้จังที่ยาไปค่าเดินมาผลนิ่พานอยู่ที่ไห น, ท, หนที่นู่นที่นี่ให้ดูตัวมันวุ่นวายขนาะดนั่นละตัวมันทําลายมาผลนิีพานตัวมันกั้นกลางมะพรุนนี่พาน ตัวยืดหยุ่นวุ่นวายคิดตรุงแต่งนั่นเรื่องนั้นนั่นนี้นั่นแหละมันเป็นขวากเป็นหนามันกั้นกลางทางเดินเพื่อมาผลิภานเอาให้มันสงบลงไปพอมันสงบลงไปแล้วความสุขพระปากิดขึ้นมาและเป็นหลักฐานพยานแก้ตนเองด้วย ถ, ถึงออกจากนั้นแล้วพิจารณาเรื่องของปัญญาเอาฟาดงไปในท่าในขันนี่มันมีอะไรอยู่นี่น่ะดูให้มันชัดเจนที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาทำไมจะพิจารณามันไม่ได้วะหนังหอกกระดูกนี่ โดูนี่ว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของสวยของงามอ่าเป็นของกิรังถาวรมันปรุงมันแต่งมันหลอกลวงเราทั้งนั้นธรรมชาติจริงๆแล้วก็คือตัวอนิจจังทุกขังอตาตัวอสุภะอสภรสพังปฏิปุลโสโคกเต็มไปหมดป่าชาพิจิบก็คือร่างกายของเราของท่านทุกๆคนอืแคนสัตว์ในโลกนี้มันเป็นอย่างเดียวกันเพี่นั่ถ้ามันถึงความจริงอันนี้ตามความจริงอันนี้จริงที่ว่าดําเนินตามธรรม ความเศสศสานตั้นย่อเฉยๆปลอมๆหาเรื่องมาเศสศสานเลยเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรอนเป็นเราเป็นของเรานั่นมันคือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบว่านี่ก่เลสมันเดินทางสายนี้หรือถ้าเราเชื่อทำแล้วเราต้องไม่เชื่อกิเลสอันนี้บางแยกแยกให้เห็นตามความจริงเป็นธรรมชาติหรือเป็นเครื่องคัดค้านกิเลสเพื่อเข้าถึงความจริงคือไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคล ไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาไม่ใช่เป็นอสุขขังมิจจังอัตตามันเป็นนาจจังทุก ข, ขังอัตตาเทาา่านั้นอ๋อให้มันเห็นจริงเห็นจังลงไปในรับความสงบเย็นบ้างดูวยเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของของสมบัติแห่งนั้นติธรรมเป็นขั้นๆั้นขึ้นไปรับความสว่างประจางแจ้งจนกระทั่งถึงมิมุดดุพ้นเลยนี่ใหม่ มันเสียชาติความเป็นมนุษย์มาแล้วและความเป็นพระของเราเป็นพระนักปฏิบัตินี่อีกไม่น้อยเลย mm hmm. อายตัวเองน่ะดีไปคาดที่ไหนมาุอ่นอยู่ผ่านอย่าไปหาฆ่ากิเลสมันหลอกเอาทำเนี่ยความจริงท่านสอนไว้ที่ตรงไหนสอนลงที่หัวใจกิเลสก็มีอยู่หัวใจอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสก็สอนลงที่หัวใจเนี่ยลงตรงนี้อริยสัจสี่อยู่ที่ไหน อทุกอยู่ที่ไหนทุกทางกายทางใจอยู่ที่ไหนท่าแนแม่ก็บอกไปแล้วว่าทุกทางกายทางใจก็อยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้รู้เป็นผู้แบบภาระความทุกข์ความลําบากตรงนี้อยู่เป็นประจำทํำไมจะไม่เห็นทุกข์ขัดแล้วสิ่งใดที่มันถึกทุกข์ขึ้นมาทางด้านจิตใจให้เกิดความทุกข์ความลําบากลำ บ, บนติดตานอันตูกภาระจิตฮะหัวคิดปัญญาไม่ได้คืออะไรก็คือกี่เหล็กท่านเรียกว่าสมุทัย แดนแห่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งโทุกข์ไงตัแต่ตามสัมก็เป็นอย่างนั้นนั้นก็คือขี้ใจนี้แล้วเราจะให้เห็นเรื่องของสมูไทยนี่จะเห็นด้วยเรื่องอะไรเห็นด้วยอะไรถ้าไม่เห็นด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนไม่มีทางอื่นเป็นทางเห็นไม่มีอุบายอื่นใดที่จะเห็นเรื่องที่เละที่มันผึดความทุกข์ความลําบากทรมานต่างๆขึ้นที้ดีใจต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสตินี่ บุดค for er ้น right ันลงไปยาไปสงสัยอจาไปคาด้างนอกไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยความจริงอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปที่ตรงนี้ปัญญาถึงข่าจะใช้ใช้อ้อมันไปไหนถึงไปถึงกันดเลยเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ท่านสอนด้วยความฉลาดด้วยอุบายทัศนิยัญญาเหตุใดจริงจะมีไม่ได้ในตัวของเรามีไม่ได้พวกแยกท่างสอนทำใหม่สาวกทั้งหลายท่านก็ร่ำุกผู้านมาเหมือนกันกับพวกเราบางองค์จนเราก็เห็นแล้วในตำหนักตำหลา อย่างพระจุลบันทกอย่างนี้เป็นพี่ชายอินทร์นาละอาัยหันท่อ ง, อา ร, าา ร, างอรัฐวารัฐวารัชการผมลืมไปละมันลืมชี้ดือนก็ไม่ได้พระมหาบันทกมันเป็นพี่ชายถึงเวลาถูกเขานิมนต์ไฉันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน พระมหาบรรทกเลยไม่ไม่นีมนน้องชายเพราะเป็นพระตุเทศท่านเป็นพระตุทเททำไมสร้างพระพุทธเจ้ารับสั่งพระยังมาไม่ครบยังอีโองค์นึงอยู่ในวัดอหนโอมไหนนั้นไมนมีใครทราบอืมให้มาน้องชาก็เสียอกเสียใจว่าพี่ชายไม่มีมนไปการอยากไปฉันในบ้านท่านไม่อยากไปแต่ที่แบบพระทั้งวัดไปหมดไม่ให้เราไปด้วย ความเห็นว่าเราต่ำทาลามกนี่เป็นสิ่งที่เราสะดุดใจยอย่างมากก็พิจารณาสติปัญญาขึ้นในขณะนั้นเลยโดยอาศัยนั้นเป็นเหตุบันรุลุธรรมขึ้นในเวลานั้นเสียทีนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วยังมาแล้วยังมีทิฏฐิจากดานุิาฐิสามารถที่จะโดนบรดอนบรรดาแลแดงภายในจิตใจจิตใจของท่านเองเรียว่าอิทธิฤทธิ์ น, นะเออ เป็นสี่ร้อยสี่พันองค์จุลบรรพตถกมดวัดทํางานหน้าที่ต่างๆกันเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มานิมนต์พระพรไหนพระไม่ใช่พระองค์เดียวเต็มวัดทุนท่านองค์ไหนก็ถามว่าเป็นจุลบรรพถกหมดเลยไม่ได้พระทุลบันพกอันแท้จริงกลับมาอีกให้ไปอีกให้ไปจับทาจีวันเลยนะองค์ไหนว่าเป็นจุลบันพกให้จับทายจีวันองค์นั้น จับพายุวณิพายสบงอะไรแต่ละแต่จับพอไะจับปั๊บทนี้ก็หายหมดนี่พอเมื่อไปถึงนู่นแล้ว พ, พระพุทธเจ้าทรงทราบอยู่แล้วนี่พระจินมรรธน์สำเร็จเป็นพระหลานแล้วโดยอาศัยที่พี่ชายดัดสันดานนั่นพี่ชายก็เป็นพระหลานแล้วจะดัดสันดานโดยหายเหตุผลไม่ได้มีอย่างไรคนดัดด้วยความมีเหตุผลของท่านเหมือนกันถ้ามหามรรทกนะพระพุทิเจ้าก็ไม่ทรงําหนิ ขมาวันศกเหมือนกันเพราะเป็นขนาดพระอรหันตะ์จะมาดัดน้องช้างเต็มด้วยที่ขี่มานะักที่เดือดสนหาเาไม่มีนีน่ท่ากขนาดนั้นแหละรัะโชโองก า, ารรัชราชรัชราชรัชรัชรัชรัชติดอะไรวเนี่ผมลืมล่ะเดืนถึงสี่เดือนไม่ไม่สำเร็จก็ผ้าที่เปื้อนเลยทุลีแกะออกมาเนี่นท่านรำบากง บทเวลาท่านเอาท่างก็ได้เลยเราก็เป็นคนค น, นถึงจะไม่มีลิทธาสตานุภาพส่วนในอะไรให้มีลิตทธาสตรรรา น, ภานุารรรานภาพปราบกิเลสที่อยู่ในเนื้อมือก็แล้วกันเอาให้กินให้จังผลนิพพานอยู่กับหัวใจแท้แนอนเฝ้านั่งเฝ้าให้กิเลสทึงทางโน้นทึงทา ง, ง, งนี้อยู่จะตายว่าไงยังไม่เห็นทําในจิตใจพอได้รับความสงบสบายบ้างเลยมันต้องควรนัหรือกับนักปฏิบัติยาวน่ะ เรื่องการ่อนยานที่จะเป็นไปเพื่ออำนาจของกิเลสมันอยู่ทุกระยะนะั้นอยู่ทุกขนาดอันนี้ไม่มันไม่เคยลดละนะเรารู้สึกตัวไว้เสมอเอาให้เข้มงวดขวดขันเขาให้เห็นมมกคืออะไรศีล ส, สมาธิปัญญาศีนะลเวก็รักษากันอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องพูดสมาธิกับปัญญาเอาเอาพาลงตายมันไม่สงบมันไ ม, มน มันทำไมมันจะไม่สงบมันมีเหตุผล ก, ไกลไกองไรพาให้สงบพาให้มันสงบเราก็รู้ประเรด็นที่เลศนั่นแหละมันดูอยากครอบควรถุดลาบนุนถุดลากไปนี้ไม่ให้ขาความสงบไม่ได้ปัญญาภาคฟันลงไปอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งใช้ธรรมเลกรรมทาบหัวมลงไปถี่ยิบอย่างที่พูดให้ฟังแล้วถ้าอุบาลนี้ยังไม่ทันมันแล้วเอาปัญญาค้นอยู่แล้วน่ะในตัวจิตนั่น มันจะคิดไปไหนต่เรื่องอะไรไม่เคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งป่านี้ทําไมไม่เบื่อไม่หนานเพราะไม่เห็นโทษเห็นภัยถูกพิเดลหลอกลวงมาด้วยภาพาต่างๆเรื่องราวต่างๆดูภายในใ จ, จิตใจตลอดมาเป็นป่านนี้ยังไม่อิม่มไม่พออยู่เหรออย่างอื่นเราก็เคยเห็นแล้วยังเกิดความเบื่อหน่ายด้วยชินชาต่อสิ่งเหนั้นแต่ทําไมความหลงตามพิเดลทอดตามพิเดลจึงไม่มีความชินชาจึงไม่เห็นโทษของมันบ้างถ้าเราจะเป็นผู้ วความสาจริจริงๆควรจะมีสติปัญญาได้เห็นโทษของมันบ้างแล้วคิดไปอะไรนะฟาดกันลงไปอย่างนั้นอุบาสปัญญาวันนี้เวลานี้จะเราจะไม่ให้มันคิดอะไรให้มันคิดขึ้นมาเนี่ยอะไรให้เป็นธรรมทัามา้งนั้นเราถึงจะอ่อยเอามันอย่างนั้นเอาจริงเอาจังมันก็เป็นขึ้นมาจนไดน้มันไม่พ้นวีสัยของเราแหะนี่อุบาสติปัญญานี่แหละคือมาร์กเครื่องบุกเบิกเพิกถอนสิ่งที่ หยุดขวางหรือปิดกั้นกำบังจิตใจให้มือมิปิดตาออกไปได้โดยลําดับลำ ด, ดับจนกระทั่งนิโรธแสดงตัวออกมาได้เพราะอานาจของมร์แสดงตัวได้โดยลําดับเมื่อมร์คือสติปัญญาเต็มภูมิแล้วไม่มีขีดเด็ดตัวใดไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดละเอียดสุดจะพ้นวิสัยของสติปัญญานี้ไปเลยสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ เหนือกว่าอำ น, นาจของคิเลสโดยประการทั้งปวงซึ่งเราควรจะผิดขึ้นมาได้ภายในจิตใจและปราบปรามกิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมือของเรานี่เป็นนิพมผลนิพานขึ้นมาที่นี่เมื่อคิเลสดับลงไปจนไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะถามหาธรไมานิพานท่านาไม่ถามไม่เสียเวลาพระอรหนันต์ท่านตั้งก็ตังต้งไว้อย่างนั้นละ่ะเพื่อผู้ที่ดําเนินเดินตามหลังคุณบุตรสุด ท, ท้ายภายหลังนี่จะได้ อาศัยเป็นกุยหม้ใต้าทางไปเรืเ่อยๆเป็นเขียนพิษทางเลยพอไปถึงที่แล้วมันเข้าหมดปัญหากันเองเหมือนอย่างวัดป่าวัดตากอ่ะสมมุติเราจะเขียนชื่อของวัดไปปิดไว้ที่หน้าวัดนั้นทำหลับเราเองเราจะไม่อ่านให้เสียเวลาเลยเพราะเราทราบแล้วว่าวัดป่าวันตาเป็นอย่างไรแต่คนอื่นต้องอ่านนี่มันวัดอะไรเนี่ยเราต้องอ่านว่ที่วัดอะไรนั่น หรืออา่านดูนี่มันวัดอะไรเพราะอา่านอ๋อนี่วัดต่ำมันตักเข้ามาอ๋ววัดต่ปต่ำเป็นอย่างนี้เนี่ยคนภาในวัดไม่จําเป็นต้องอา่านป้ายแต่คนอื่นต้องอา่านผู้ที่รู้มรรคผลนิพพานต่างเต็มใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปหาอา่านเรื่องว่าคุณนิพพานว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่สงสัยนิพพานอยู่ไหนไม่สงสัยขอใจยิ่งเด็ดมันหมดประจากใจเท่านั้นจะ เ, เป็นอันว่าสิ่งสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างอันใดเป็นสมมติอันใดเป็นมีมุต เป็นความจริงแท้ๆคืออะไรคําว่านิพพานนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งต่างธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อว่านิพพานมันคืออะไรถ้าไม่ใช่จิต ด, ดวงที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรไปเอาให้เรเห็นตรงนี้สิเมื่อเห็นตรงนี้แล้วมันมันไม่สงสัยเลยตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปอยู่ที่ไหนคนมีได้นิพพานแล้วจนกรอกหาที่อยู่ไม่ได้มีเหลือแล้วคนที่มีกิเลสที่มันจนกรอบหาที่อยู่เป็นไม่ได้อยู่ไหนเมื่งยแต่ปืนจะไปเผาหัวหใจอยู่ตลอดเวลา ร้อนไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดิน น, นั่งนอนนี่มันเป็นพ่อขีเหร่ต่างหากทําให้โลกมันแับมันแคบมันตีบมันตันมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่พระนิพพานทําโลกให้อยู่ไม่ได้นะเราเข้าใจายอย่างนั้นเอาให้จริงให้จงังนะปฏิบัตินี่ก็ไปไหนมาไห น, ไหนก็ลําบากลําบนก็เพาะหัวใจของหมู่เพื่อนที่มุ่งหน้ามาเราพอที่จะพูดอะไรเราก็ลงมาไปโน้นก็ต้องเพกเหมือนกัน ก็สงสารทางจากครูจากอาจารย์เราเป็นเหมือนกับว่าเราเคี่ยวกับใต้นั่นแหละเรากระใต้มาถึดแล้วค่อยจะดับเราเคี่ยวให้เคี่ยวกระใต้แล้วมันบุกโปรง่ปรงขึ้นนี่เหมือนกันช่วยส่งเสริมนาถึงยลำบากลาบนก็ทนเอ า, ห, าเห่วงใจใจของแต่ละท่านละท่านที่อุตส่าห์มาทั้งกาทั้งกายําบากลำบนเพื่อเพื่อทําเพื่อการศึออกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ มีก็าห่างเหินไปหลายเวลาอันนี้เราเป็หนึ่งอบรมตามทัศน์กำลังก่อนสามารถแม้จะลำบากเราก็พยายามเต็มที่ด้วยเหตุ น, นี้ขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายเป็นห่ตั้งใจรา ล, ลิส ป, ปิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยดังที่กล่าวแล้วออกให้หมดจากจิตใจคำว่าความบริสุทธ์ก็ดีคำว่านิพพานเดีไม่มีใครพระอรหันต์องค์ใดจะเป็นบ้าถามถึงละ่ะ ขอให้บริสุทธิ์จิตจะรวมอยู่ น, นันหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำมือเจ้าที่กล่าวไว้มากน้อยไม่สงสัยเลยพระพุทธเจ้าประรุณิพานไปแล้วกี่พระองค์สาวของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากน้อยเท่าไหรดูอันเดียวเท่า น, นี้เข้าใจหมดเลยประสานกันได้หมดเพราะเป็นความจ ร, งริงเสมอต่าประรณิพานมาแล้วกี่องๆๆค์กี่กับกี่กันก็ตางจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพอ ความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นดวงภายในจิตใจนี้เท่านั้นปัญหาทั้งมวลนี้จะสลายไปหมดอยู่ที่ไหนก็เป็นพุท ธ, ธะอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมะสังขะอยู่กับจิตใจตรงเดียวนั้นเมื่อพุทธะธรรมะสังขะได้สงเคราะห์เข้าไปในหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมโมปริปโปเป็นธรรมแท่งเดียวเท่านั้นพิธีญาที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมสงังนั้นพูดตามหลักของรรมสมมุติที่ยังต้องอาศัยสมมติอยู่ท่านก็พูดอย่างนั้น พอเข้าถึงความจริงจริงแล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวไม่สงสัยตอนนี้ก่อนคณธรรม ญ, ญา